วันนี้ก็เป็นวันแรกของการเข้าพรรษาปี 2,553 บางคนก็เริ่มนับหนึ่งแล้วส่วนบางคนก็เริ่มนับถอยหลังเอาคนที่นับหนึ่งหรือนับถอยหลังก็ตามนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่ายังรอคอยถึงวัน ที่จะได้ออกพรรษ า, าถ้านับหนึ่งหรือนับถอยหลังนะใจจะเป็นทุกข์ได้ง่ายๆนะเพราะว่า <c oughs> จะไม่ได้แค่นับอย่างเดียวแต่ว่าใจยังอยากจะให้เวลามันผ่านไปเร็วๆหรือว่าอยากจะให้ถึงวันออกพรรษาไวๆ อันนี้เราไม่ได้อยู่กับปัจจุบันแล้วนะใจไปคิดถึงอนาคตเวลาสามเดือนหรือว่าเกสกว่าวันอาจจะเป็นเวลาที่ดูเหมือนยาวนานแต่ว่าถ้าอยู่เป็นคืออยู่กับปัจจุบันจะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็ว เราอยู่ที่นี่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กันให้เป็นโดยเพราะพวกเราซึ่งมาอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะเป็นชุมชนนะมีความสำคัญมากเนะพราะถ้าเราอยู่เป็นเราก็จะอยู่อย่างมีความสุขและสิ่งที่เรามุ่งหวังจากการมาจำปรรษาก็จะเกิดขึ้นให้เราได้ชื่นชมได้ ในพุทธประวัตินะมีเหตุการณ์ตอนหนึ่งที่น่าสนใจคราวหนึ่งพระพุทธองค์ได้เสด็จไปเยี่ยมพระสาวกกลุ่มหนึ่งซึ่งได้หลีกเล่นไปปฏิบัติพระกลุ่มนี้ก็มีพระอนุรุท ธ, ธะเป็นผู้นำแล้วก็มีพระนันทิยะพระกิมพิระด้วยก็ไม่มากเท่าไหร่นะประมาณสักสามสี่รูป พระองค์ก็มีพระเมตตาเสด็จไปเยี่ยมแล้วก็ได้ทักทายได้สอบถามพระกลุ่มนี้สิ่งที่พระองค์สอบถามนี่น่าสนใจถ้าดูผ่านๆไปก็ไม่มีอะไรแต่ว่ามีแง่คิดอยู่ประโยคแรกคำถามแรกที่พระองค์ถามก็คือว่ายังสบายดีอยู่หรือ บินลบินธรรมบัตไม่ลำบากหรือนะยังพออยู่ได้หรือนะนี่ถามประโยคต่อมาท่านก็ถามว่ายังพร้อมเพลียงกันอยู่หรือยังชื่นชมกันไม่วิวาทกันเข้ากันได้เหมือนน้ำนมกับน้ำยังมองกันด้วยสายตาแห่งความรัก อยู่หรือนะหลังจากนั้นพระองค์ก็ถามว่ายังมีความเพียรมีความไม่ประมาทอย่างอุทิกายและใจนะเพื่อการปฏิบัติอยู่หรือสุดท้ายท่านก็ถามว่ายังมีคุณวิเศษนะบ้างไหมอันนี้นี่พิจารณาดูนี่เป็นเป็นให้แง่คิดได้หลายอย่าง นะจะลองอจะลองอเล่าให้เราฟังดูว่ามีแง่คิดอะไรบ้างก็คือว่าประโยคแรกพระองค์ก็จะถามถึงเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ด้านด้านกายภาพบินทบัตพอฉันมายังอยู่สบายดีไหมนะหลังจากนั้นพระองค์ก็จะถามเรื่องความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์เป็นยังไงพร้อมเพรียงกันไมมชื่นชมกันหรือเปล่าทะเลาะเบาะแว้งกันไหมยังมีเมตตาต่อ ก, กันไหมนะหลังจากนั้นพระองค์ถึงค่อยถามเรื่องการปฏิบัติถึงเรื่องการฝึกจิตส่วนเรื่องคุณวิเศษผลที่จะเกิดขึ้นนั้นพระองค์ก็ถามเป็นอันดับสุดท้ายนะ พระองค์จะให้ความสาคัญนะกับเรื่องความเพียรก่อนนะถ้ามีความเพียรแล้วส่วนเรื่องผลนั้นก็ตามมาทีหลังบางทีลูกถูกพ่อแม่ถามนะพ่อแม่บางคนถามลูกก็จะถามว่านะสอบได้ที่เท่าไหร่หรือว่าเล่นกีฬาชนะไหมนะคำถามแล้วก็ถามตูมเลย ว่าได้ผลเป็นอย่างไรไม่ได้ถามว่าเป็นไงขยันไม่ตั้งใจเรียนหรือเปล่านะการที่การที่ถามว่าได้ผลเป็นอย่างไรนะก็เหมือนกับว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องของผลจนลืมเรื่องของอการให้ความสำคัญกับความเพียร นะความเพียรเนี่ยในทางพุทธศาสนาะถือว่าสําคัญนะถ้าเพียรแล้วนะผลมันตามมาทีหลังเองแต่ก่อนที่จะถามเรื่องความเพียรถามว่ามีความตั้งใจไมพระองคก็จะถามสิ่งที่เป็นปัจจัยสนับสนุนก่อนก็คือเรื่องของการอยู่การขบฉันเป็นเรื่องกายแล้วก็เรื่องความสัมพันธ์การปฏิบัติเนี่ย จะอาศัยความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยปัจจัยแวดล้อมเป็นตัวสนับสนุนด้วยนัเราเรียกว่าสัพเยะนะสัพเย ะ, ปป ะ, ยะก็คือว่าสัพเยะด้านอาหารสัพเยะด้านาผู้คนนะถ้าหากว่าเราจะปฏิบัติลําพังความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอก็ต้องให้ความสําคัญกับเรื่องปัจจัยแวดล้อมด้วย พระพุทธองค์ท่านทรงเป็นผู้ที่รู้รอบนะรู้ว่าการที่คนเราจะปฏิบัติได้ก้าวหน้าหรือไม่เนี่ยก็ต้องมีเรื่องของการความเป็นอยู่ที่ดนะีถ้าความเป็นอยู่อัตคัดขั ด, ขดแคลนนะหรือว่าผู้คนทะเลาะเบาแววงกันอันนั้นสถานที่นั้นไม่เหมาะกับการปฏิบัตินะโดยเพาะสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ อันนี้เป็นเป็นเป็นเป็นข้อสำคัญเลยนะเจนไ้พระพุพทธองค์เนี่ยได้ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมมากคราวนี้พวกเราอยู่ที่นี่เนี่ยนะในเรื่องของความเป็นอยู่ด้านกายภาพเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่บางบางทีอาจจะเรียกว่าอยู่ในขั้นสะดวกสบายก็ได้โดยเพราะถ้าเทียบกับ บางที่อย่างเช่นไปเที่ยกกับภูหลงวัดป่ามหาวันเนี่ยที่นี่จะเรียกว่าสบายมากมีพระหลายรูปอยู่ที่นี่ไปแล้วพอไปพระป่ามหาวันก็ อ, อยู่ได้ไม่นานถามว่าทำไมอยู่ได้ไม่นานก็บอกว่าบินทบาดไกลหนักนะกุฏิก็ลำบากมีบางท่านบอกว่ากุฏิซ่อมซอ่อนะเพราะว่าอยู่ที่นี่สบายพอไปเห็นภูหลงบอกซ่อมซอ่อ นะก็อยู่ได้ไม่นานนะไม่มีไฟฟ้านะน้ำก็ก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนที่นี่เรื่องอาหารการขบทันก็ไม่เท่าก็ไม่ดีเท่านี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบไปแล้วนี่ที่นี่ก็เรียกว่ามีความเป็นอยู่สุขสบายพอสมควรด้านเสนาสนะด้านอาหาร ถ้ายิ่งถ้าเทียบกับเมื่อ20กว่าปีก่อนนะเรียกว่าห่างกันไกลามากอาจจะเรียกว่าเหมือนกับฟ้าก็เหวก็ได้สมัยก่อนแม้แต่ข้าวเหนียวนี่ก็แข็งมากนะเคี้ยวไปไม่กี่คาก็ปวดกรามแล้วในะเด๋ยวนี้ข้าวเหนียวก็นุ่มนะแม่ครัวก็ทาตั้งใจทำนะถ้าใครบ่นอาหารวัดป่าสุกโตนี่แสดงว่ า, อาสอบตกแล้วละ่ะ เพราะว่าไม่สมควรบ่นเลยนะมีแต่ควรจะชื่นชมด้วยซ้ำเพราะว่าตั้งใจทำกันด้วยความใส่ใจไม่ว่าเรื่องของอาหารเรื่องของเสนาสนะสะดวกสบายไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงคราวนี้พอผ่านแล้วก็ต้องมาดูที่เรื่องของความสัมพันธ์กันนะความสัมพันธ์นี่เป็นเรื่องใหญ่นะ เดี๋ยวพราะตอนนี้เราอยู่กันเยอะอยู่กันหลายสิบชีวิตพระนี่ก็30 ส, สิแม่ชีก็เกือบ2ี่สญาติโยมอีกยี่สิบสามสิบทั้งประจำทั้งขาจรสมัยก่อนก็เห็นหน้ากันรู้จักกันหมดพอทำวัดเสร็จก็พูดคุยกันสามารถจะคุยกันได้ทั่วถึงแต่เดี๋ยวนี้ ทำอย่างนั้นไม่ได้การที่มีชุมชนใหญ่ๆอย่างนี้นะความสัมพันธ์อยู่กันให้กลมกลืนเป็นเรื่องสำคัญมากโดยเพราะเมื่อพวกเราตั้งจิตอธิษฐานว่าจะจำบรรษาให้ครบสามเดือนการที่จะอยู่กันโดยพร้อมเพรียงกันไม่ให้มีเรื่องวิวาสกันนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย มีหลายวัดนะที่มีพระอยู่กันเยอะๆในช่วงข้าวบันศาก็จะมีปัญหาอาจจะไม่ทุกวัดแต่ได้ยินอยู่เรื่อยๆว่าวัดนั้นวัดนี้ทะเลาะ ก, กันบางวัดแม้แต่แม้กระทั่งพระนี่ถึงกับวางมวยกันนะที่วัดนี้ก็เคยนะวางมวยกันแล้วคนที่วางมวยก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะ ถึงไม่วางมวยกันก็ทะเลาะกันไม่มองหน้ากันอันนี้ซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกก็เพราะว่าผู้ที่มาอยู่ที่นี่เนี่ยก็เหมือนกับว่ามาด้วยความตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่แล้วไม่ใช่พวกที่ถูกส่งมามาดัดสันดานก็ไม่ใช่ที่นี่ถ้าเป็นแบบสถานพินิศคนที่มาด้วยความบังคับ ด้วยความจำยอมการที่จะทะเลาะ ก, กันก็เป็นเรื่องง่ายแต่พวกเรานี่มาด้วยความตั้งใจดีเจตนาดีนะไม่มีใครบังคับมาแล้วก็มาแล้วก็เอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสารณะแล้วก็ถึงกับมีจีวรมีภาคกาสาวพัดเป็นเครื่องคุ้มครองส่วนแม่ชีก็มี พาขาวนะซึ่งเป็นสัญญษณแห่งความสะอาดบริสุทธิ์การที่จ ะ, ะทะเลกกาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือกันไม่น่าจะมีแต่ก็เคยมีนะแม่ชีนี่เคยเคยทำร้ายกันถึงกับเลือดตกยางออกนะต้องพาไปอนามัยเย็บนะเย็บกระโหลกนะเพราะว่าเล่นกันแรงมากแสดงว่าแม่ชีกับพระก็ พอไม่ได้ก็ดูเดือดประพอกันได้ถ้าหากว่าไม่ระวังไม่ระวังตัวเองอันนี้ก็เป็นเรื่องแปลกนะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นอยู่เสมอถ้าหากว่าเราปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติจริงหรือว่าปฏิบัติไม่ถูกโดยเพราะถ้าเราปฏิบัติแบบประเภทว่าต้องการต้องการอยู่แบบหลีกเล่นไม่อยากเกี่ยวข้องกับใครเมื่อต้องมาอยู่ เกี่ยวข้องกันโดยเพราะต้องมาทำงานด้วยกันความไม่พอใจความขุนเคืองใจความเครียกก็จะเกิดขึ้นและพอกระทบกันมากๆก็จะรุนแรงต่อกันที่จริงแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันได้ก็คือว่าความคิดและคิดน้อยนะคือคนเราเนี่ยพอ พออยู่สบายๆแล้วเนี่ยเราจะให้เราจะคิดเล็คิดน้องได้คิดและคิดน้อยได้ง่ายปัญหาเล็กๆ ก, ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เวลาเราเป็นคาราวาเน่เราต้องทำงานโน้นทำงานนี้เรื่องเล็กๆ เ, เ, เราจะไม่ค่อยสนใจเพราะมันเล็กเกินไปนะเรามีเรื่องใหญ่ที่ต้องคิดต้องใส่ใจต้องเลยเพราะเรื่องความอยู่รอดเรื่องเรื่องนี้เรื่องสิน นะแต่พอเรามาอยู่ในที่ที่มันไม่ค่อยมีปัญหาที่จะต้องห่วงวิตกมากนะเรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องที่เรานะถือเป็นเรื่องใหญ่ลองลองเปรียบเทียบมันก็ว่าอโต๊ะเนี่ยโต๊ะนี้ถ้ามันถ้ามันมีมีช้อนมีจานมีชามเยอะแยะนะไอ้รอยด่างรอยรอยเปื้อน บนโต๊ะเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยใส่ใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดโต๊ะนั้นเนี่ยมันสะอาดไม่มีจานชามวางไอ้ลอยด่างลอยเปื้อนเนี่ยลอยเดียวกันนั่นแหละเราจะรู้สึกมันขัดหูขัดตามากเลยนะยิ่งไม่มีอะไรมารบกวนจิตใจสิ่งเล็กสิ่งน้อยก็จะกลายเป็นเรื่องที่ทำความคุนเคืองใจได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่นอาจจะขุนเคืองใจที่พระที่อยู่ข้างๆเราสวดไม่ตรงกันสวดบางคนสูงบางคนต่ำสวดไม่พร้อมเพียงกันนะวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ก็ไม่เท่าไหร่พอผ่านไปสักยี่สิบวันเริ่มขุนเคืองใจบางทีอาจจะลำคาญกลิ่นตัวที่ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ชอบเนียซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่ นะอยู่ในเมืองบางทีเจอกลิ่นอะไรเหม็นๆก็ยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอมาอยู่ใกล้ๆพอมาอยู่ที่นี่มันไมน่มันสบายไปเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่วิธีการขบฉันก็เป็นปัญหาได้บางคนฉันนะฉันเสียงดังฉันเสียงดังการขูดนะการขูดขูดบาดขอดบาดบางบางรูปไม่ระวังนะหรือว่าเวลาวางวางชามวางช้อนเสียงดัง เพราะพื้นเนี่มันเป็นพื้นมันเป็นพื้นซิมันเป็นพื้นหินเวลาวางฝาบาสเสียงมันจะดังหรือเวลาตักอาหารเนี่ยนะช้อน ม, มันก็ไปกระแทกกับอ่ากับกละมังกับหม้อก็เสียงดังวันเดียวไม่เป็นไรแต่พอเจอทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยความไม่พอใจก็เริ่มเกาะตัวขึ้นเสร็จแล้วก็จะถึงจุดหนึ่งก็จะโวยวา ย, วายก็จะอาลว่า เคยมีภาพบางรูปนี่สมัยก่อนเราฉันเป็นวงนะสมัยก่อนเนี่ยที่นี่ฉันเป็นวงไม่ได้ฉันฉันได้บาทฉันเป็นวงก็คือสามบางทีก็สี่นะบางช่วงอาหารไม่ไม่พอเนี่ยสี่เลยห้าก็มีนะวงผ่าก็เรียกผ่าพาหนึ่งเนี่ยมีพระสี่หรือห้ารูปนะฉันกันภาพ ร, รูปหนึ่งก็ฉันดังเเคี้ยวนะเคี้ยวดังเเคี้ยวดังอีกรูปหนึ่งก็ ค่อนข้างจะเป็นพวกที่เคร่งหรือว่าใส่ใจกับเรื่องข้อวัดเสียเคียวัดนะท่านมาจากวัดอื่นด้วยเจออย่างนี้ทุกวันทุกวันแล้วสุดท้ายวันหนึ่งท่านก็ระเบิดออกมาโยนช้อนกระแทกพากะละมังแล้วก็ลุกขึ้นบอกว่าเสียงพูดชันเสียงดังไม่เกรงใจเลยแล้วก็พูดตะโกนออกมานะแล้วก็ เดินตึงตังตึงตังออกไปแค่นี้แหละนะเพียงเขาฉันเสียงดังเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องที่ทะเลาะกันได้อ น, นี่มันจะเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะไม่ใช่กับพายอย่างเดียวกับกับแม่ชีด้วยก็ได้หรือ ก, กับญาติโยมโดยเพราะที่ต้องมาอยู่ใกล้กันอันนี้เราต้องระวังมากว่าจิตของเราเนี่ยมันจะมันจะคิดและคิดน้อยได้ง่ายในบรรยากาศแบบนี้ที่มันสบายๆที่มันเงียบๆนะ ถ้าเกิด อ, อยู่ในที่ที่อึทึกเสียงดังเนี่ยไอ้เสียงฉันดังๆเนี่ยมันจะไม่รบ ก, กวนเราเลยแต่พออยู่ในที่เงียบๆเนี่ยเสียงฉันเคี้ยวดังๆเนี่ยที่จริงก็ไม่ดังเท่าไหร่ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ระคายสวนประสาทได้เราต้องรู้ทันแล้วที่สำคัญคือว่าเราต้องมองตัวอย่าไปมองคนอื่นมากนะักให้หันมามองใจของเราเองนะอยู่กับคนมากๆเนี่ยนะ ถ้ายิ่งมองออกนอกตัวมากเท่าไหร่มันก็จะคิดเพ่งโทษคนอื่นมากเท่านั้นแต่ถ้าเราหันกลับมาดูใจของเรามันก็จะเห็นเลยว่าโอ้ใจเรากำลังโกรธถ้าเราไม่มองใจตัวเองนะต้องระวังเพราะว่าเวลาเรามองใครว่าเป็นปัญหาเราเองนั่นแหละจะกลายเป็นตัวปัญหาเสียเองนะอันนี้อยากจะย้ำเลยนะเวลาเรามองใครว่าเป็นปัญหานะ ต้องระวังว่าตัวเราจะกลายเป็นปัญหาเสียเองอย่างภาพรูปที่ว่าเนี่ยท่านก็มองว่าพระอีกรูปนึงเนี่ยเป็นตัวปัญหาเพราะเสียงดังฉันเสียงดังแต่บอกว่าพอท่านระเบิดออกมาเนี่ยท่านกับส่งเสียงดังมากกว่ามากกว่าอีกรูปหนึ่งเสียอีกโยนช้อนเสียงดังกระแทกผูลุกขึ้นตะโกนนะแล้วก็เดินตึงตังและไข่เสียงดังกันแน่นะก็รูปที่สองนั่นแหละที่ไปมองว่าอีกรูปนึงเนี่ยฉันเสียงดัง ตัวท่านกลายเป็นปัญหายิ่งกว่าอีกรูปหนึ่งนี่เพราะอะไรก็เพราะไม่รู้จักมองตนนะต้องถือหลักเลยนะเวลาเรามองใครเป็นปัญหาเนี่ยระวังเราจะเป็นปัญหาเสียเองอย่างเช่นในสํานักงานเนี่ยเราจะบางทีเราก็ลําคาญนะเพื่อร่วมงานบางคนเขาชอบนินทานินทาคนโน้นนินทาคนนี้เราเห็นบ่อยๆเห็นอยู่เรื่อยๆ เราก็ไม่พอใจเราก็สือว่าคนเนี่ยนะนิสัยไม่ไดีเลยชอบนินทาเสร็จแล้วเป็นยังไงพอเราไม่ชอบใจเขามากๆเนี่ยพอเราเจอคนอื่นเราก็จะนินทาเรื่องของคนนั้นให้ฟังว่าคนเนี่ยมันชอบนินทาเหลือเกินนะใครมาก็นินทาพอมีเพื่อนมาเราเจอคนใหม่มาแล้วก็พูดถึงอเพื่อนคนนั้นให้ฟังว่าพเพื่อนคนานั้นมันชอบนินทานะไปไประมาณเราเองหรอกกลายเป็นคนชอบนินทานะ นี่พอเราไปมองไม่ชอบคนที่เป็นเพื่อนร่วม ง, งานที่ชอบดินทาแต่เรากลับกลายเป็นคนชอบดินทาซะเองนะให้ต้องระวังเวลาเราใครมองใครเป็นปัญหาเรานั่นเองนั่นแหละจะกลายเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นต้องกลับมาดูใจนะกลับมาดูใจที่เห็นกลับมาดูใจจนเห็นความขุ่นมัวความไม่พอใจแล้วความไม่พอใจพอมันเกิดขึ้นแล้วมันมันทให้ลืมตัวนะ เข้าทำนองว่าว่าแต่เขาอีหนาเป็นเองนะความไม่พอใจเราไม่พอใจเขาเพราะเขาทำตัวไม่ดีเราก็เลยระเบิดออกมากลายเป็นผู้ร้ายเสียเองนะนะในการทางานด้วยกันเป็นในการอยู่ด้วยกันเป็นชุมชนที่เราต้องระวังตรงนี้นี่ขนาดไม่ได้ทำงานด้วยกันนะแค่ฉันด้วยกันสวดมนต์ด้วยกันนะยังไม่ถึงกับนอนในกุฏิเดียวกันด้วยซ้ำ แต่พวกเราเนี่ยไม่ได้แทนแค่นั้นเราต้องทํางานด้วยกันด้วยถ้าการที่เราทํางานด้วยกันเนี่ยยิ่งต้องระวังใหญ่เพราะว่ามันจะมีเรื่องที่จะกระทบกระทั่งกันได้ง่ายแต่ถ้าเรามองว่านี่คือการปฏิบัติธรรมมันก็จะเป็นเรื่องท้าทายขึ้นมาเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาก็ว่าได้เพราะว่าเป็นการทดสอบตัวเองเวลาเราปฏิบัติอยู่ในกุติให้ถือว่านี่เรากําลังเรากําลังซ้อมใหญ่ นะเรากำลังซ้อมเพื่อที่จะลงสนามสนามนี่อยู่ที่ไหนสนามก็อยู่ที่ในโรงครัวบ้างนะในในที่ในสานักงานที่ทำงานบ้างให้ลองดูว่าเนี่ยเออวันนี้เราสอบได้หรือสอบตกเวลาเราทำงานด้วยกันอยู่ในครัวด้วยกันให้ถือว่านี่คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งแต่ถ้าตั้งใจตั้งจิตจเอาไว้ว่านี่ไม่ใช่เป็นการปฏิบททัติธรรมนี่เป็นการทำให้เราเสียโอกาสในการปฏิบททัติธรรม อันนี้เราจะแย่เพราะว่าเราจะทําอย่างไม่มีความสุขและเราจะระบายความเครียดใส่คนอื่นซึ่งเขาก็จะสะท้อนความเครียดกลับมาที่เราสุดท้ายเราก็ต่างช่วยกันโหมไฟแห่งความโกรธให้แก่กันและกันมันก็เลยกลายเป็นนรกเลยในครัวก็เลยกลายเป็นนรกในที่ทํางานก็เลยกลายเป็นนรกนะแต่ถ้าเรามองว่าเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมนะเราก็จะระวังดูใจของเรา ปฏิบัติรมได้หลายอย่างนะปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะเรื่องความเพียรปฏิบัติเราสามารถปฏิบัติในเรื่องของสติคือการรู้ทันอารมณ์แล้วก็ปฏิบัติในเรื่องของเมตตาเราควรใช้การทำงานเป็นโอกาสที่จะฝึกเมตตาหรือว่าฝึกเรื่องการให้อภัยรวมทั้งฝึกในเรื่องของการมองคนในแง่บวกหัดชื่นชมบ้างนะ อย่างที่พูดเมื่อวาน่อคนเราเนี่ยมักจะมักจะสุดตรงคือใหม่ๆก็เห็นเขาดีไปหมดไม่เห็นเขาแย่เลยแต่พออยู่ไปนานๆเห็นแต่เขาแย่ไปหมดเลยเห็นแต่ความแย่ของเขาไม่เห็นความดีของเขาเลยอนะ่เวลาเราทํางานกับเพื่อนร่วม ง, งานไม่ว่าในวัดหรือในที่ไหนก็ตามต้องระวังว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาต้องทวงดุล น, นะเวลาเรามองใครติดลบเนี่ย ล อ, ลองพยายามมองดูว่าเขามีข้อดีแง่บวกอะไรบ้างให้ถือหลักว่าเวลาเราจะตำหนิใครเราก็จะต้องหาเหตุที่จะชมเขาถ้าเราจะตำตำหนิเขาหนึ่งเรื่องก็ต้องหาเหตุที่จะชมเขาหนึ่งเรื่องหรือสองเรื่องได้ยิ่งดีถ้าคนเรามักจะเก่งในการตำหนิเพราะว่ามนุษย์เราชอบมองหาข้อ มีสัญชาตญาณที่จะมองหาความผิดปกติมนุษย์เราเนี่ยที่อยู่รอดกันมาได้ทุกวันนี้ไม่ศู์พันธ์ไปเหมือนสัตว์บางชนิดก็เพราะมนุษย์เราเนี่ยชอบหรือเก่งในเรื่องการสังเกตความผิดปกติเห็นอะไรมันขยับขยับนี่ก็ต้องสงสัยไว้ก่อนแล้วว่าอาจจะเป็นเสือเป็นสิงห์บางทีไม่ต้องเห็นหน้าไม่ต้องเห็นตัวเพนซะก่อนนะคือถ้าเราไม่รู้จัก ระแวงไัยเราก็คงจะไม่สามารถจะรอดมาจนถึงทุกวันนี้ได้สัตว์หลายชนิดสูญพันธุ์ 0, ไปก็เพราะว่าไม่รู้จักระแวงไัยแต่มนุษย์นี่รู้จักระแวงไัยมาตั้งแต่เป็นล้านปีมาแล้วมันก็สะสมนิสัยนี่มาตามลงมาตามสายเลือดสะสมอยู่ในยีนนั่นแหละก็คือว่าชอบถนัดเก่งในเรื่องการระแวงไัยระแวงไพรก็หมายความว่า จะต้องมองอะไรให้มันลายไปก่อนมองอะไรให้มันลายไปก่อนว่ามีสัตว์ลายมีสิ่งมีสิ่งอันตรายถึงรอดมาได้เงยนะให้การมองอะไรให้ลายไว้ก่อนเนี่ยก็คือการมองในเชิงลบและพอเรามาทำงานพอเราพัฒนามาจนถึงเป็นมนุษย์มนุษย์เงินเดือนมนุษย์เมืองเราก็ยังมีนิสัยนี้อยู่ก็คือว่ามองอะไรในแง่ลบไปก่อนซึ่งมันก็ อาจจะเหมาะสำหรับการอยู่ในป่าที่มีอันตรายรอบตัวนะมองอะไรให้ลบไว้ก่อนก็จะอยู่รอดปลอดภัยแต่มาในยุคนี้ยุคศตวรรษที่ย1บเอนี่ยการมองแบบนี้บางทีมันทำให้เราเป็นทุกข์นะทำให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าทำให้เราโกรธกันได้ง่าย้เราต้องเราจะเห็นแต่ความลบของเขาด้เราก็ต้องมอง เราต้องทวงดุลนิสัยนี้ที่ติดตัวมาด้วยการตั้งใจหรือฝึกตนให้มองเห็นข้อบวกข้อดีของเขาด้วยนะก่อนจะตําหนิใครก็ต้องถามตัวเองว่าเรามีเขามีข้อดีอะไรบ้างที่เราชื่นชมนะเราจะตําหนิเขาหนึ่งเรื่องก็ต้องหาข้อชมอย่างน้อยสักหนึ่งเรื่องนะ อันนี้เป็นกติกาในใจเราหรือถ้าเป็นกติกาในชุมชนได้ก็ยิ่งดีนะเวลาจะประชุมกันมันจะตำหนิใครอเราก็ต้องอเห็นความดีเห็นสิ่งที่เขาเห็นหน้ า, าชื่นชมเขาก่อนอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะมันเป็นการฝึกให้เรามีเมตตากรุณานะแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องการดูการมองการมองเห็นการมองตนนะถ้าเรามองตนเป็นเนี่ยมันจะช่วยได้ เวลาทํางานเนี่ยแม้จะมีเรื่องกระทบกระทั่งมีเรื่องไม่พอใจแต่ถ้าเรามองตนให้เป็นนี่อย่างน้อยเนี่ยเราเองจะไม่ทุกข์ก่อนที่เราจะไปคนเราก่อนที่จะระบายความทุกข์ใส่คนอื่นเช่นด่าว่าเขาเนี่ยเราเองทุกข์ก่อนและเราทุกข์ก็เพราะเราปล่อยให้ความเครียดมันก่อตัวขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักมองตนเนี่ยเราจะไม่ทําร้ายตัวเองด้วยความคิดปรุงแต่ง หรือด้วยอารมณ์ถ้ามีเด็กคนหนึ่งเขาฉลาดนะอันนี้อรตมาก็ได้ฟังมาจากเรื่องที่เขาเล่ากันคือมันเป็นรายการโทรทัศน์รายการสา ร, รคดีเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นสา ร, รคดีของทีวีไทยรายการที่ชื่อว่าพลเมืองเด็กเ้าก็เอาเด็กสามคนเนี่ยมาทำกิจกรรมร่วมกันเปลี่ยนทุกอะทิตยเลยนะ แล้วเขาก็ถ่ายเป็นสารคดีคล้ายๆ Re ลิลลตี้โชว์เพื่อเป็นข้อศึกษาสําหรับคนที่เป็นพ่อแม่หรือว่าครูครูบาอาจารย์แล้วคราวหนึ่งก็มีเด็ก3มคนเนี่ยมาขนของ ข, องขึ้นรถไฟที่จริงทําอย่างอื่นด้วยนะแต่ว่ามันมีฉากนึ่งที่เขาเด็ก3มคนที่ช่วยกัขนขนของขึ้นรถไฟรถไฟมันมีเวลาออกที่แน่นอนเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบขน ระกว่าวันนั้ น, นสมจิตจงจอหอนักชกเหรียทองโอลิมปิกเขาขึ้นชกมีการถ่ายทอดสดนั่นเด็กผู้ชายสองคนเนี่ยก็เลยทิ้งงานไปดูโทรทัศน์ในร้านกาแฟใกล้ๆสถานีรถไฟก็ทิ้งให้เพื่อนซั่งเป็นยผู้หญิงเนี่ยขนของคนเดียวพิธีกรแปลกใจเขาขนขยันขนจังเด็กคนนี้อายุสิบสองสิบสามก็เลยไปสัมภาษณ์ว่าทไมคิดยังไงที่เพื่อนก็ทิ้ง งานปล่อยให้เราขนคนเดียวเด็กก็ตอบดีเพราะว่าก็เห็นใจเขาก็เป็นแฟนสมจิตนะก็นานๆก็จะได้เห็นสมจิตขึ้นชกก็ให้เขาไปดูซะนะหนูก็ไม่ได้สนใจเรื่องชกมวยตอบอป่งนงี้พิธีกรก็ยังไม่พอใจก็เลยถามใหญ่ไปว่าแล้วเขาทิ้งงานให้หนูทํอย่างนี้หนูไม่ไม่โกรธหรือคิดจะด่าว่าเขาเหรอเดยว ก, ก็ตอบดีเขาบอกว่ า, วาหนูขนของคึ้รถไฟหนูก็เหนื่อยอย่างเดียว นะถ้าหนูไปโกรธไปด่าว่าเขาด้วยหนูก็เหนื่อยสองอย่างนะเด็กคนนี้ก็ฉลาดเขาเลือกเหนื่อยอย่างเดียวคนที่ตอบอย่างนี้ได้เนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่อ่านตาราเก่งแต่เป็นคนที่ต้องเห็นต้องมองใจตัวเองได้เป็นคือเด็กคนนี้เขารู้เลยว่าถ้าเวลาเราโกรธเวลาโกรธใครจะเป็นเพราะเขากินแรงหรือเพราะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทุกข์ใจเนะี่ย เหนื่อยสองอย่างคือเหนื่อยกายกับเหนื่อยใจนะเด็กเขามองมองใจเห็นก็รู้ว่าโกรธไปก็เป็นทุกข์กับตัวเองไปด่าว่าเขาตัวเองนั่นแหละทุกข์เด็กเขาก็เลยไม่คิดไปด่าว่าเพื่อนเขาก็ตั้งหน้าต่างๆขนของถามว่าเหนื่อยไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยกายอย่างเดียวไม่เหนื่อยใจ นี่เวลาเราทํางานเนี่ยไม่ว่าทํางานล่วงรัวหรือว่าต่อไปเราก็จะมีวันกรรมกรนะให้เอาคติหรือว่าคําพูดของเด็กคนนี้ไปเตือนใจตัวเองนะว่าเวลาเราเวลาเราทำงานเนี่ยบางทีเพื่อนอาจจะไม่น่ารักนะอาจจะกินแรงเราหรือก็ จ, จะทิ้งงานให้เราทําคนเดียวก็ให้ดูใจว่าเนี่ยเราจะเราจะเหนื่อยกี่อย่างเราจะยอมเหนื่อยกี่อย่าง เราจะเหนื่อยกายด้วยหรือจะหรือจะทุกข์ใจเราจะเหนื่อยกายหรือทุกข์ใจด้วยเหนื่อยกายเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเพื่อนทำให้เราเหนื่อยกายแต่ทุกข์ใจไม่มีใครทำให้เราทุกข์ใจนะมีแต่เรานั่นแหละทำตัวเราเองเพื่อนเนี่ยเขาทำได้อย่างมากคือทำให้เราเหนื่อยเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่เพื่อนเขาจะไม่ทำให้เราทุกข์ใจได้เลยเขาไม่สามารถจะทำให้เราทุกข์ใจได้เลย มีคนเดียวในโลกนี้ที่ทําให้เราทุกข์ใจได้คือตัวเราและที่เราทําร้ายตัวเองได้เพราะอะไรก็เพราะเราลืมตัวนะเพราะเราไม่ไม่รู้จักมองตนนะงั้นอย่าไปโทษเขานะเวลาเวลาเราทุกข์ใจเพราะว่าเพื่อนกินแรงนี่อย่าไปโทษเพื่อนว่าเพื่อนทําให้เราทุกข์ใจเ พ, เพื่อนเขาอาจจะทําให้เราทุกข์กายเท่านั้นเองคือเหนื่อยมากขึ้นแต่เรื่องทุกข์ใจนั้นเป็นเพราะเราลืมตัวแต่ถ้าเราไม่ลืมตั ว, เ ร, ตวเรามองตนมองใจตัวเอง เราวางได้เราก็แค่เหนื่อยกายเหนื่อยกายเสร็จก็เสร็จงานแล้วก็อาจจะไปเจราจาไปพูดคุยกับเพื่อนมาทำไมถึงเป็นอย่างนั้ น, นก็ว่ากันไปคุยหลังหม่ได้นะแต่ว่าในขณะที่เราทำงานอย่าไปเสียเวลาอย่าไปเสียเวลาบน่นมันจะทุกข์ใจในการทำงานร่วมกันเนี่ยมันต้องมันคือการปฏิบัติทำอย่างดีนะว่าเรา ฉลาดที่จะเหนื่อยกี่อย่างคนไม่ฉลาดก็จะเหนื่อยสองอย่างเหนื่อยกายเหนื่อยใจแต่คนฉลาดจะเหนื่อยอย่างเดียวนะแลวเราอยากจะรู้ว่าเราฉลาดหรือโง่ก็ลองไปทำงานกับคนอื่นดูนะถ้าเราไม่กล้าไปทำงานกับคนอื่นเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเราโง่หรือเราฉลาดนะแต่ถ้าเราลองไปทำงานคนอื่นแล้วเออเรารู้ว่าเราเราโง่ไม่เป็นไรคนที่รู้ว่าโง่มีโอกาสฉลาดได้ แต่คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองโง่นี่ก็จะโง่ไปตลอดกาลนะคนที่รู้ว่าตัวเองสอบตกก็ยังมีโอกาสเลื่อนชั้นได้แต่คนที่ไม่รู้ว่าตัวเองสอบตกนี้ก็ก็มีโอกาสจะสอบตกล่าไปอันนี้คือข้อดีของการที่เรามาทำงานด้วยกันนะมาทำงานด้วยกันไม่ใช่ว่าเก็บเก็บตัวไม่เกี่ยวข้องกับใครอย่างเดียวอันนี้ก็พูดแค่สองข้อนะคือว่า จำเป็นมากที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันให้เป็นแล้วก็ทำงานร่วมกันให้เป็นโดยถือว่านี่เป็นการปฏิบัติธรรมนะและมันก็จะช่วยทําให้เกิดบรรยากาศที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมด้วยนะถ้าหากว่าเราไม่สามารถจะสร้างบรรยากาศที่พร้อมเพรียงกลมกลืนกันเหมือนน้ำกับน้ำนม มันอาจจะกลายไปตรงข้างกลายเป็นน้ํากับน้ํามันนะความแตกต่างนั้นมีอยู่บางคนเป็นน้ําบางคนเป็นน้ํานมนะเราไม่เห็นไปว่าทุกคนต้องเป็นน้ําเหมือนกันไม่เห็นไปว่าทุกคนต้องเป็นน้ํานมเหมือนกันแต่ว่าน้ํากับน้ํานมนี่มันเข้ากันได้นะแตกต่างกันแต่ว่าเป็นหนึ่งเดียวกันได้นะนนถ้าเราทําอย่างนี้ได้เนี่ยบรรยากาศก็จะเอื้อต่อการปฏิบัติธรรมเวลาเรากลับไปเจริญสติใน ตุตินะก็จะทำได้คล่ อ, องแคล่วปลอดโปรง่งแต่ว่าเพียงแค่ว่าอยู่กันอย่างกลมกลืนแล้วก็จบกันไม่พอนะอาหารการคบฉันดีสบายชุมชนอยู่ด้วยกันอย่างปลองดองสมานฉันอันนี้ดีแล้วแต่ว่าถ้าจบแค่นั้นไม่พอนะมันต้องมาข้อที่สามคือต้องมา ทำความเพียรอุทิตกายและใจเพื่อการปฏิบัตินะคนส่วนใหญ่เนี่ยพออยู่สบายแล้วกินสบายอยู่สบายแล้วก็ก็เลยไม่มีความขนขวายทําความเพียรอันนี้นนเรียกประมาทนะแต่ว่าคนที่เขาฉลาดเขาก็จะรู้สึกว่าเออได้มนุยอากาศอย่างนี้ดีแล้วก็ต้องเร่งปฏิบัติเพราะว่าไม่รู้ว่าต่อไปจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านะผู้เจ้าเตือนเตือนเอาไว้หรือว่าสอนพระภิกษุไว้ว่าเวลา อยู่ในที่ที่สบายเวลามีอาหารครบชั้นดีก็ให้ระลึกว่าต่อไปอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นต้องรีบฉวยโอกาสทําความเพียรแต่ตอนนี้เดีย๋ยวว่าแต่อากาศดีอาหารดีชุมชนดีเลยแม้แต่ในยามที่เจ็บป่วยพระองค์ก็สอนภิกษุให้พิจารณาว่าตอนนี้เราเจ็บป่วยก็จริงแต่ว่าวันข้างหน้าเราเจ็บป่วยหนักกว่านี้ถึงตอนนั้นอาจจะไม่มีแรงปฏิบัติ ตอนนี้เราเจ็บป่วยแต่เรายงพอมีแรง ป, รปฏิบัติเพราะฉะนั้นต้องรีบทำเรียกว่ารีบเฉลยโอกาสหลวงพ่อคําเขียนใช้คําว่าต้องรีบเฉลยโอกาสเฉลยโอกาส ป, ปฏิบททัติรรมอันนี้คือท่าทีของผู้ที่ไม่ประมาะส่วนเรื่องของความสําเร็จมันจะเกิดขึ้นอย่างไรมันเป็นเรื่องทีหลังพุทธศาสนาจะไม่ให้เราไปสนใจกับความสําเร็จมากแต่เป็นใน้ในเรื่องที่ความเพียรอย่างพระมหาชนกนี่ว่ายน้ํา7็ดวันเจ็คืน ไม่สนใจเลยว่าจะถึงฝั่งหรือเปล่าไม่สนใจว่าถึงฝั่งหรือไม่มองไม่เห็นฝั่งด้ซ้าแต่ก็ไหว้จนกระทั่งมรนางมรณีแม่ขลาต้องซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ผู้ช่วยเหลือคนในทะเลต้องมาถามว่าทำไมมองไม่เห็นฝั่งถึงไหว้มีประโยชน์อะไรพระมาชน ก, ก็ตอบว่าเราเห็นประโยชน์ของความของความเพียรแม้จะมองไม่เห็นฝั่งก็จะไหว้ด้วยความเพียรแล้วถ้าตายล่ะพระมาชน ก, ก็ตอบว่า แม้ตายแต่ถ้าทำความเพียรอย่างเต็มที่ก็ไม่เสียดายที่เกิด ม, มาเป็นมนุษย์นะเทวดาและญาติพี่น้องก็ตํำหนิไม่ไดนะ้อันนี้เป็นท่าทีของชาวพุทธก็คือว่าทาความเพียรหน้าที่ของเราคือทำความเพียรส่วนเรื่องผลนั้นเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยนะสอดคล้องกับภาษิตจีนว่าความพยายามเป็นของมนุษย์ความสำเร็จอยู่ที่ฟ้านะความสาเร็จอยู่ที่ฟ้าก็คือเหตุปัจจัย เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดานาทีางเราคือทำความเพียรให้เต็มที่เพราะฉะ น, นั้นเนี่ยเราพวกเราก็ขอให้เร า, าช่วยกันนะสร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการทำความเพียรนะเรื่องปัจจัยสี่อันนี้ญาติโยมเขาอุดหนุนอุปถัมภ์เต็มที่แต่เรื่องที่เราต้องทำวันนี้ก็คือเรื่องของการสร้าง ความพร้อมเพรียงให้เป็นชุมชนที่มองกันด้วยสายตาแห่งความรักนะไม่วิวาดกันชื่นชมกันอันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำกันต้องช่วยกันทำและขณะเดียวกันก็ไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือยังก็ต้องอุทิศกายและใจเพื่อการปฏิบัตินะให้ให้เกิดประโยชน์อันนี้ก็ฝากเอาไว้นะสำหรับเป็นข้อคิดในโอกาสที่พวกเราจะ มาจำพรรษาด้วยกันถือว่าฝากชีวิตแล้วก็ความก้าวหน้าในการปฏิบัติไว้แก่กันและกันแล้วก็ยุติเพียงเท่านี้